ช่วงนี้มีหนังเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากนะนะชื่อว่าอาบัตนะเป็นหนังเกี่ยวกับสา ม, มนเณรนะที่ไปชอบผู้หญิงแล้วก็ประพฤติัวไม่ถูกต้องนะหนังเรื่องนี้ก็กำหนดฉายเนี่ยเมื่อที่ที่แล้วแต่ว่ากระทรวงวัฒนธรรมก็สั่งห้ามไม่ให้ฉายในประเทศไทยนะด้วยเหตุผลว่าเป็นการหมิ่นพุทธศาสนา ทำให้เสียภาพพจน์พุทธศาสนา mm hmm. เขาก็คิดว่าการทาเช่นนั้นเนี่ยเป็นการปกป้องพุทธศานสนา mm hmm. ก็เลยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเพราะว่ามีทั้งฝ่ายเห็นด้วยไม่เห็นด้วย mm hmm. อาตมาก็ยังไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้นะ mm hmm. แต่ว่ามีคนมาสัมภาษณ์เมื่อวาน mm hmm. ก็บอกเขาไปว่าถึงแม้ไม่เคยดูหนังเรื่องนี้นะแต่ว่าเรื่องทํานองนี้ก็เกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้ว mm hmm. ก็คือมีการพูดถึงความประพฤติไม่ดีของพระ บางรูปนะเสร็จ แ, แล้วก็ทางการก็สั่งห้ามนะเรียกว่าเซ็นเซอร์นะด้วยเหตุผลว่าเพื่อปกป้องพุทธศาสนาอัตอมาก็ไม่แน่ใจว่าการทําเช่นนั้นเนี่ยเป็นการปกป้องพุทธศาสนาหรือว่าเป็นการปกป้องอาราชัชชีปกป้องพระที่ประพฤติตัวไม่ดีนะเพราะว่าพระอาราชัชีหรือว่าพระที่ประพฤติตัวไม่ดีนะรวมทั้งสามนเณรด้วยเนี่ย ควรที่จะตีแผ่นะีตีแผ่ให้รู้จะได้เป็นการยับยั้งไม่ให้ทําเช่นนั้นต่อไปคราวนี้เนี่ยการไปห้ามไม่ให้น่ะภาพยนตร์โทรทัศน์หรือว่าสื่อเนี่ยพูดเรื่องนี้เนี่ยนะก็คือเท่ากับว่าเป็นการห้ามไม่ให้ตีแผ่การกระทําที่ไม่ดีไม่ถูกต้องไม่ให้ตีแผ่ผู้ที่เป็นอัลลัชีมันก็คือเป็นการปกป้องเขานั่นเองนะ ไม่ใช่ปกป้องพุทธศาสนานะีที่จริงการที่มีนำเสนอเรื่องราวหรือภาพเนี่ยนะมนไม่ได้เป็นการบ่นศาสนาเลยนะแล้วก็ไม่ได้เป็นการวิจารณ์ศาสนาด้วยซ้ำนะเพราะว่าไม่ได้พูดว่าศาสนาไม่ดีตรงไหนเพียงแต่พูดว่าคนบางคนนะไม่ปฏิบัติตามหลักศาสนา ก็เลยสร้างปัญหาขึ้นมานักมาก็พูดอีกไปว่าเนี่ย mm hmm. เวลาเราเพื่อปกป้องพุทธศาสนาเนี่ย mm hmm. ก็ไม่แน่ใจนะว่าพุทธศาสนาที่เขาอยากจะปกป้องเนี่ยาศาสนาเดียวกับที่พระเจ้าเนี่ยได้ก่อตั้งหรือสถาปนาหรือเปล่านะ mm hmm. ฟังดีๆนะพุทธศาสนาที่เขาปกป้องเนี่ยนะ อัตมาก็ไม่ค่อยแน่ใจะเป็นศาสนาเดียวกับที่พระเจ้าเนี่ยได้ทรงตั้งขึ้นมาหรือเปล่าเพราะศาสนาที่พระเจ้าทรงตั้งขึ้นมาเนี่ยเป็นศาสนาที่ยอมรับการวิจารณ์นะยอมรับการวิจารณ์ไม่ว่าจะเป็นคนอื่นวิจารณ์เราหรือว่าเราวิจารณ์ตัวเองนะพรนะเจ้าเคยบอกที่ซ้าว่าเมื่อใดก็ตามที่มีคนติฉินนินทาพระพุทธธรรมประสงค์เราอย่าได้โกรธจะได้อาฆาตเขานะเพราะว่าการทําเช่นนั้นเนี่ยจะไม่เป็นผลดีกับเราเลย แล้วพระเจ้าก็ตัดว่าให้พิจารณาว่าที่เขาพูดเนี่ยถูกต้องไหมนะถ้าถูกต้องก็แก้ไขถ้าไม่ถูกต้องก็ให้รู้ว่ามันไม่ถูกต้องมันไม่จริงนะไม่ใช่ไปว่าเขาไม่ใช่ไปปิดปากเขานะหรือว่าไม่ใช่มาอุดหูตัวเองปิดปากเขาก็ไม่ถูกอุดหูตัวเองไม่ไม่ให้ยินไม่ให้ได้ยินไม่ได้ฟังก็ไม่ถูกนะต้องฟังแล้วก็พิจารณาว่าถูกต้องไหมจริงไหม แต่วพระเจ้าก็แนะนำนะให้เราเนี่ยมองผู้ที่ชี้โทษนะว่าเป็นเหมือนผู้ชี้ขุมทรัพย์ผู้ใดที่ชี้โทษเนี่ยเราเนี่ยก็ให้มองว่าให้เรามองว่าเนี่ย <ST an> เขาคือผู้ชี้ขุมทรัพย์ทําให้เราเห็นว่าเราต้องแก้ไขอย่างไรการชี้โทษคือการวิจารณ์นั่นเองนะการวิจารณ์การตําหนินะนี่คือศาสนาพุทธนะที่พระเจ้าทรงตั้งขึ้นมาเป็นศาสนาที่ยอมรับการวิจารณ์แล้วก็ให้แนะนําให้พระเราวิจารณ์ตัวเองด้วย อย่างเช่นเนี่ยบรณชิตควรพิจรารณาเนืองหนึงน่งหนึ่งสิบประการเนี่ยก็มีข้อหนูบอกว่าเนี่ยควรพิจรารณาเนืองว่าเราติดเตียนตัวเองได้หรือไม่นะแล้วก็ผู้รู้ใครควรและติดเตือนเราโดยศีลได้หรือไม่ไม่ใช่บอกว่าอย่าติดเตียนนะอันนี้ไม่ถูกแล้วก็เร า, าก็ต้องเตือนตัวเองด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนมาเตือนเราด้วยอย่างเช่นเนี่ยอยีกไม่กี่วันจะวันเป็นวันออกพรรษ า, ามีชื่อหนึ่งว่าวันมหาปร า, ารณาเป็นวันที่พระจะปรารนากัน ปรารณาแปลว่าให้โอกาสอนุญาตนยให้ให้โอกาสหรืออนุญาตให้ว่ากล่าวตักเตือนได้เห็นก็ดีได้ยินก็ดีสงสัย ก, ก็ดีก็ให้พูดนะเป็นวันที่อนุญาตให้มาวิจารตัวเราได้ให้เพื่อนพระที่จริงก็ต้องรวมไปถึงญาติโยมด้วยนะวิจาร์ได้แล้วเราก็ต้องฟังนะแม้แต่ผู้เจ้าเองก็อนุญาตนะหรืว่าเชิญชวนให้พระสงฆ์สาวกเนี่ยได้ได้ตรวจสอบพระองค์วิจารพระองค์ พระองค์เป็นคนเชิญชวนอย่างเลยนะว่าพระองค์เนี่ยมีอะไรผิดพลาดบางก็ให้ทักท้วงแนะนํานี่คือศาสนาพุทธที่พระเจ้าได้ส่งตั้งขึ้นมาเป็นศาสนาที่ยอมรับการวิจารณ์อนุญาตให้วิจารณ์แล้วก็เชิญชวนให้วิจารณ์ตัวเองด้วยแต่ว่าศาสนาที่คนหลายคนกาลังปกป้องเนี่ยนะมันเป็นศาสนาที่ไม่ยอมไม่ใครมาวิจารณ์นะแต่ต้องก็ไม่ได้พูดถึงในทางลบก็ไม่ได้ อันนั้นไม่ใช่พุทธศานสนาที่พระเจ้าทรงตั้งขึ้นมานะมันคนละคนละศาสนากันเลยที่จริงหนังเรื่องนี้เนี่ยตากมากม็อย่างที่ว่านะก็ไม่ได้ดูนะแต่ว่าที่ ผ, ผ่านมาเนี่ยหนังทำนองนี้ก็ไม่ได้วิจารณ์พุทธศานสนานะแค่วิจารณ์คนบางคนในพุทธศานสนาเช่นพระเชนเนนนะซึ่งมันก็มีอยู่แล้วนะตามสื่อต่างๆถามว่าให้เรื่องเน้นชอบผู้หญิงเนี่ยนะ มันมีจริงหรือเปล่านะมันก็มีนะไม่ใช่เนียงเดียวพระด้วยนะมันก็มีมาทุกยุคทุกสมัยแล้วก็ทุกวันนี้ก็กําลังมีอยู่แล้วก็จะมีต่อไปมันเป็นความจริงนะที่ไม่ต้องที่ใครๆก็รู้นะปกปิดไม่ได้แต่เราก็พยายามที่จะห้ามไม่ให้ภาพแบบนี้เนะี่ยมันอยู่ในหนังนะ ท, ง ท, งทั้งๆที่ตามสื่อมวลชนตามโซเชียลมีเดียวิทยุหนังสือพิมพ์นิยายก็มีเรื่องพวกนี้หนักกว่านี้อีกนะอันนี้ก็แสดงว่าเรา ยังไม่อยอมรับความจริงนะเราอยากจะให้คนชมเราอย่างเดียวเราอยากจะให้คนสรรเสริญศาสนาของเราอย่างเดียวที่จริงพู้เจ้าก็ตัดนะว่าแม้มีคนชมอะแม้มีคนสรรเสริญพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์ก็อย่าดีใจนะพง์บอกอย่าดีใจนะเพราะถ้าดีใจเนี่ยผลเสียจะเกิดขึ้นกับเธอนะชมและดีใจนี่ก็ผู้เจ้าไม่ไม่สรรเสริญนะ เพราะว่ามันจะทําให้เกิดผลเสียก็คือไม่ได้พิจารณาว่าเออ <_ d irt> เขาพูดจริงเขาเปล่าเขาชมจริงไหมนะก็อาจจะเกิดความหลงตัวลืมตนขึ้นมาได้ศาสนาพูทเป็นศาสนาแห่งความจริงนะ ย, ยอมรับความจริงไม่ว่าบวกหรือลบแม้สิ่งที่เป็นลบก็พิจารณาให้ถูกก็เป็นประโยชน์นะก็มีคนก็บอกว่าศาสนาพุทธศาสนาเป็นสถาบันศักดิ์สิทธิ์นะศักดิ์สิทธิ์ก็คือว่าแตะต้องไม่ได้ อันนี้ก็ไม่ใช่พุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งขึ้นมานะศา ส, สนาพุทธเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงตั้งขึ้นมาเนี่ยแต่ต้องได้วิจาร์ได้และที่จริงถ้าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยศักดิ์สิทธิ์ก็แปลว่าทนน้ําทนไฟคงทนต่อการพิสูจน์นะคงทนต่อการวิจารณ์อันนี้ถึงเรียว่าศักดิ์สิทธิ์จริงนะถ้าอะไรที่ตามก็ตามเนี่ยมันไม่ทนน้ําไม่ทนไฟนะไม่คงทนต่อการวิจารณ์นะมันจะศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรนะ เพราะนเมื่อเห็นว่าพืชศาสนา์เป็นศาสตรบัญญัติเศษก็ต้องนะยอมให้มีการวิจารณ์ได้เพราะว่าเราเชื่อว่าคําสอนของพระองค์เนี่ยเป็นอาักาลิโกให้ผลได้ไม่จํากัดการเพราะฉะนั้นคงโทดต่อการพิสูจน์นะใครจะว่าใครจะวิจารณยังไงของแท้ก็ต้องเป็นของแท้อยู่วันยังค่ำนะจะบอกว่าเพชรเนี่ยเป็นฐานหรือว่าเพชรเนี่ยเป็นขยะมันก็ไม่ทําให้เพชรนี่กลายเป็นขยะไปได้มันก็ยังเป็นเพชรอยู่นั่นแหละนะ ไอ้คำพูดเนี่ยมันไม่สามารถจะเปลี่ยนความจริงได้แม้คำพูดนั้นจะเป็นคำต่อว่าดาทอติฉินนินทาก็ตามนั้นชาวผู้เราต้องนะต้องมีความอดทนแล้วก็มีความมั่นคงไม่กลัวคําวิจารณ์นะแล้วก็พร้อมที่จะรับคําวิจารณ์และไม่ใช่ให้คนอื่นวิจารณ์เรี๋ต้องวิจารณ์ตัวเองได้ด้วยนะนี่คือศาสนาพุทธที่พระเจ้าทรงตั้งขึ้นมานะั้นศาสนาแล้วก็ตามที่ไม่ให้วิจารณ์ไม่ให้แตะไม่ให้พูดถึงนี่มัน เป็นศาสนาแล้วก็ไดนะ้แต่ไม่ใช่ศาสนาพุทธที่พูะเจ้าทรงตั้งนะอันนี้กอ็อยากจะให้พวกเราได้เข้าใจกันนะฉะนั้นะคนที่มีธรรมเนี่ยไม่หวันหว่นเกรงไม่หวั่นเกรงต่อคำติชินินทาหรือแม้กระทั่งคำสรรเสริญอันนี้ก็เป็นนะส่วนที่ตมาได้พูดเพิ่มเติมนะตอนที่สัมภาษณ์ก็ไม่ได้พูดยาวขนาดนี้แต่เนื้อหาก็ประมาณนี้แหละอ่ะเก็เตรียมรับพร